5921991วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทราสุประแสงบอกกอมมิงนะครับหรือว่าพี่มิงคอมทูเดย์ก็มาพบกันทุกๆวันจันทร์และวันอังคารนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13ตุลาคม2562นะครับก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรค์นะครับของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยทั้งโลกต้องทัวโลกแล้วก็คนทั่วโลกอีกหลา ย, ลา ย, ลายๆประเทศที่จะร่วมน้อมลํำลึกถึงพระราชกรณียกิจนะครับที่พระองค์ส่ง สร้างเอาไว้หรือผลงานดีๆที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ให้กับคนไทยทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของ Apple นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเเพิ่งจะเปิดให้มีการอัปเดต macOS นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆเรื่องนะครับก็คือ Apple เปิดตัวอัปเดต macOS Catalina นะครับ Catalina แล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> ล่าสุดนะครับพบปัญหาจากการอัปเดตบน Mac ด้วยเช่นกันนะครับหลังเปิดให้มีการอัปเดต Mac OS c a t a r i n a ซึ่งเป็น Mac OS เอสเวอร์ชั่น 10.15 อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งทาง Apple เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Screen Time นะครับหรือว่าเวลาหน้าจอที่โชว์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน Mac อย่างละเอียดนะครับหรืออย่างตัวไ e Car ซึ่งสามารถใช้กับ Apple Pencil ขีดเขียนหน้าจอ iPad แล้วยังแสดงผลบนเครื่อง Mac ได้ทันทีรวมถึงการอัปเกรดฟิลเจอร์เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับการเพิ่ม3ฟิลเจอร์ หรือว่าแอปใหม่อย่าง Apple Music Apple TV แล้วก็ Apple Podcast นะครับที่มาแทนที่ไอจู s เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก Apple ถทยได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพูดถึง Podcast แล้วเนี่ยเร็วๆนี้นะครับทาง Today, ทาง AIP Fan ทางคอมมา r t เราจะมีการสร้างพอดแคสต์ขึ้นมาซึ่งพิมิงจะเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นกันนะครับพอดแคสต์สั้นๆที่จะมาเป็นเอพิโซดต่างๆนี้อยากให้ลองติดตามเพราะว่าจะมาพร้อมกับความรู้เชิงลึกหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นอะไรที่มันสนุกสนานที่จะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะครับกลับมาที่ข่าวเดิมนะครับเขาบอกว่าหลังจากเปิดให้อัปเดตได้เพียงวันเดียวนะครับล่าสุด ล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดพบรายงานปัญหาจากผู้ใช้แล้วนะครับสำหรับปัญหานี้ส่งผลโดยตรงกับผู้ใช้ที่เป็น DJ หรือใครที่มีเพลย์ลิสต์โปรดของตัวเองใน i อ u n e นะครับสืบเนื่องจากกรณีที่ i อ u n e นั้นหายไปทำให้ไฟล์ xml หรือว่า n e จูน s ิว s i c l i b r a r y .xml ที่ใช้บันทึกข้อมูลเพลย์ลิสต์เพลงโปรดหายไปด้วยปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือไฟล์ดังกล่าวสามารถซิงค์หรือว่าแชร์เพลย์ลิสต์ไปยังแอปอื่นๆได้ดังนั้น มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันหายไปแอปอื่นๆอย่างพวกแท็กเตอร์หรือว่ารีคออินบ็อกซ์นะครับที่เหล่าดีเจมักนิยมใช้กันแต่หลังจากที่ไอตัว iTunes Music Library.xml หายไปย้ายไปอยู่ใน a p p เ e m u มิวสิ Music เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่มีเพลย์ลิสส์สำหรับไฟล์ที่เป็น XML ให้ใช้งานอีกต่อไปนะครับปัญหานี้เป็นยังไงปัญหานี้ก็คื อ, อส่งผลให้ต้อง เขาเรียกว่าทำให้ทาง Apple เนี่ยต้องออกมายอมรับเรียบร้อยและเตือนให้คนที่จะมีเพลย์ลิสต์สำคัญใน XML เนี่ยอย่าเพิ่งอัปเดต Mac OS Catalina ในตอนนี้รอจนกว่าทาง Apple จะหาวิธีการแก้ไขต่อให้นะครับอันนั้นก็เป็นเคสที่1จบกันไปหมาดๆมาเจอเคสที่2ครับเพราะว่าเขาก็ออกมาเตือนว่าอย่าเพิ่งรีบอัปเดต Mac OS Catalina เพราะว่าพบปัญหา ในผู้ใช้ Lightroom Classic อีกโอ้โหหลังจากที่เจอในดีเจและมาเจอกับโปรแกรมแต่งภาพ Lightroom Classic นะฮะ Adobe แนะนำให้ผู้ใช้ Photoshop แล้วก็ Lightroom Classic นะฮะอย่าเพิ่งอัปเดตคอมพิวเตอร์เป็น Mac OS Catalina ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อป่าสุดของ Apple จนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ใช้ ไลท์รูมคลาสสิกนะฮะหรือว่า Photoshop รุ่นเก่าๆไม่ควรอัปเกรดอย่างยิ่งเพราะว่า Adobe ยังไม่ได้แก้ไขโปรแกรมในรุ่นเก่าๆเพื่อให้รองรับการใช้งานบน macOS หรือไอที่เป็นเวอร์ชัน a t t a r i n a ตรงนี้นะครับทั้งนี้นะครับในไลท์รูมคลาสสิกเนี่ยอาจจะพบปัญหาอะไรบ้างถ้าถ้าลอกไปใช้และอัปเดตแล้วเนี่ยก็คือการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์จะไม่เปลี่ยนนามสกุลไฟล์เมื่อคุณบันทึกรูปภาพนะฮะถัดไปก็คือ ไม่พบปลั๊กอินที่ดาวน์โหลดจากเว็บหรือว่าตัวติดตั้งนะครับแล้วก็ Extend Script to ตูคแล้วก็ l e n โปรไฟล์นะฮะครีเจะไม่สามารถทำงานได้แล้วก็โปรแกรมเวอร์ชั่นที่เป็น 32bit บิตจะไม่สามารถทำงานได้นะฮะก็ดูยังเป็นวิบากกรรมพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ใช้ m a c แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นคือเป็นเรื่องปกตินะเวลาที่มันมีการอัปเดต OS ปุ๊บเนี่ยก็ต้องหรือแม้กระทั่งอัปเดตอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แอปต่างๆหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่ทำงานทงานบน OS เหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวแก้ไขปรับจูนเพื่อให้สามารถทำงานตรงนี้หรือว่าสามารถที่จะใช้ฟิเจอร์ใหม่ๆของที่เขาเปิดขึ้นมาให้ให้แอปเหล่านีได้ใช้งานกันนะครับก็ต้องรอดูว่าอีกสักพักหนึ่งแนะแค่ไหนที่จะเริ่มควรจะอัปเดตส่วนใครที่ ยังไม่มั่นใจก็อดใจร อ, อนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวข่า ว, ข, าวข่าวคืบหน้าอะไรเดี๋ยวพี่มิงจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับความคืบหน้าที่เราสามารถที่จะอัปเดตตัว macos c a t h a r i n a ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกต่อไปเราจะมาพูดถึง Libra านะฮะล i b r a ถ้าฟังกันมาในหลายหลายเดือนก่อนนะครับก็เป็นสกุลเงินดิจิทัลตัวใหม่ที่ Facebook กําลังเปิดตัวขึ้นมาส่วนจะมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่ากันให้ฟังต่อครับ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 จบลงเล้วและตัวฉันเองต้องไปฉันเสียใจฉันร้องไห้ทุกครั้งที่คิดขึ้นมาเหตุการณ์นั้นระวังเรื่องเธอและฉันจะจำ 为难。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 r i บบ่ถูกตรวจสอบหนักจากเ a y p a าประกาศถอนตัว Visa และ m a s t e r c a r ลสนะฮะสอแววถอยนะครับดูเหมือนจะเริ่มต้นสวยงามแต่สวยไปสักพักเดียวเริ่มไม่สวยแล้วนะครับเมื่อ r i บบ่นะฮะสกุลเงินดิจิทัลซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีจากทาง Facebook ที่มีแผนจะใช้เป็นสกุลเงินข้ามพรมแดนในระดับโลกนะฮะแต่หลังจากเปิดตัวไม่ทันไลก็ถูกมองในแง่ลบและตั้งคำถามมากมายก็ธรรมดาเนาะคุณก็รวยแล้วจะมา กินตลาดตรงนี้เหรอคนก็คงต้องส ก, กัดดาวุ่งกันหน่อยนะอันนี้ในมุมพี่มิงล่าสุดทางคณะกรรมการยุโรปนะครับตั้งข้อสงสัยว่าลิฟบ้าเนี่ยจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินไหมมันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่เหมือนกับบิตคอยที่เคยเป็นหรือไม่และจะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนทางด้านรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีเสียงแข็งเลยว่าไม่ควรเปิดใช้ลิฟบ้าในยุโรปโดยเด็ดขาดอันนี้ ข่าวร้ายยังไม่จบฮะอีกหนึ่งข่าวร้ายคือเพย์พาวก็ประกาศถอนตัวจากลิบบ้าหรือ Libra Association เรียบร้อยโดยให้เหตุผลว่าขอโฟกัสธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันแทนแล้วก็มีข่าวลือนาหูเลยว่า Visa นะฮะ WSJ หรือว่า Visa กับ m a s t e r c a r ลที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักที่ทำให้ l ิ b r a เนี่ยดูน่าสนใจในช่วงแรกก็มีข่าวแววว่าจะถอนตัวเช่นกันนะครับ อย่างไรก็ตามนะฮะก็มีนักการเมืองชาวยุโรปบางคนเนี่ยหันมาสนับสนุนลิฟบ้าอยู่เพราะว่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์สำหรับการชําระเงินข้ามประเทศซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของทาง Facebook ที่ต้องการให้คนที่เข้าถึงธนาคารได้ยากสามารถใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ต้องรอดูว่ามันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะัสกุลเงินดิจิตอลแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าถึงวันหนึ่งนะครับโลกทั้งโลกนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินดิจิตอล เราจะบอกว่าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าเราเดินทางกันด้วยรถม้าด้วยเท้าเดินเราออกแรงงานไปทําเกษตรกรรมแต่วันนี้การทํางานของเราไม่ได้ไปขุดดินขุดไร ขุดดินขุดเผือกขุดมันแล้วอะ่ะแต่เราต้องมาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออยู่หน้าจอแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนในการทํางานคือวิถีชีิตมันเปลี่ยนไปซึ่งตรงนี้เองเราก็ต้องปรับตัวให้ทันนั่นเองนะครับอีกทั้งเรื่เร็วนี้นะครับเฟซบุ๊กก็มีแผนจะเผยชื่อพันธมิตรเพิ่มเติมก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่พันธมิตรเดิมถอนตัวและพันธมิตรใหม่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นใครแต่ที่แน่แน่เชื่อได้เลยว่าต้องมีการสกัดดาวลุ่งอย่างแน่นอนครับ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 กับเขาเกินเลยไม่เคยได้คิดปล่อยความไกลชิดทำร้ายใจเราเรื่อยมาลบความจริงที่เราต่างมีปัญหาเย็นชาดื้อต่อกันจนมันยากเกินดูแล เจ็บปวดที่เราไว้ใจยอมทนเหนื่อยใจเรื่อยมาอยากจบปัญหาแล้วไปจากกันขอให้ทิ้งทิ้งกันยามีเยื่อใหญ่ ทูเดย์านานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไซด์ให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทนันยอบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ เรามาดู4เคล็ดลับในการจัดสเปค PC เพื่อให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพมากขึ้นกันบ้างนะครับหลังจากที่ฝัง b o ฟ m m e n t เกิดขึ้นในโลกนี้กันเยอะแยะไปหมดในโลกดิจิตอลนะครับเขาบอกว่าการสร้าง PC สํสำหรับเล่นอาจจะสนุกหรือว่าน่าหงุดหงิดขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจะสร้างมันขึ้นมานะครับแน่นอนว่าคุณอาจจะถูกจำกัดด้วยงบประมาณที่จากัดแล้วก็ประสบปัญหาในการเลือกซื้อชิ้นส่วนที่ถูกต้อง เพื่อให้ฮาร์ดแวร์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจจะเป็นมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะจัดสเปคยังไงให้เล่นเกมที่อยากเล่นได้นะครับวันนี้พี่วิงก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าเพื่อตอบตอบโจทย์แล้วก็เอาใจขาเกมเมอร์ทั้งหลายแหละนะครับมี4เคล็ดลับด้วยกันนะครับขึ้นหนึ่งต้องเข้าใจ CPU ที่คุณจะซื้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่ายน้ำเงินหรือค่ายแดงก็คือ Intel หรือว่า AMD ทั้งสองค่ายนั้นล้วนมีข้อดีที่แตกต่างกันนะครับการเลือกใช้งานก็เป็นส่วนสำคัญนะครับโดยอาจจะดูที่แนวเกมที่เล่นเป็นหลักซึ่งโดยส่วนมากแล้วนะครับ CPU นั้นไม่ได้ถูกใช้งานหนักหากเป็นการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวแต่เพราะว่าอาจจะเน้นไปทางกราฟิกแทนยกเว้นเกมที่มีรายละเอียดยูนิคจานวนมากอย่างพวก StarCraft 2หรือว่า Total War ที่อาจจะใช้ CPU ที่มีจำนวนคอมากหน่อยเพื่อให้สามารถรองรับได้นะครับออสอก็คืออย่าทิ้ง PSU นะครับแน่นอนว่าเวลาหลายคนจัดสเปคสิ่งแรกที่พวกเขาจะลดเกรดลงก็คือ PSU หรือว่าตัว power supply นะตัวจ่ายไฟให้กับเมนบอร์ดเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเพิ่มพื้นที่ ที่ดีในการประหยัดเงินเพื่อให้สามารถซื้อกากราฟิกที่แรงแต่เชื่อะครับว่ามันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่ดีเนาะนะส่วนต่อไปหากการจะต้องดูก็คือส่วนที่3คือการเลือกใช้เคสนะครับการเลือกเคสนะฮะว่า มีส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการจัด PC เพราะว่า PC Gaming นั้นจะมาพร้อมกับความร้อนภายในตัวเครื่องเพราะฉะนั้นเคสมันก็ต้องมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับ C4 คืออะไรนะฮะถามผู้เชี่ยวชาญหากเราเป็นมือใหม่หรือไม่แน่ใจในบางอย่างให้ลองค้นหาข้อมูลหรือว่าถามผู้เชี่ยวชาญในเพจต่างๆเพื่อให้ได้ไอเดียในการจัดสเปคให้มากที่สุด แต่ท้ายสุดนะครับถ้าหาใครไม่ได้ก็ถามพนักงานขายหน้าร้านก็ได้เพราะว่าพนักงานขายก็จะช่วยเรายกเว้นว่าคุณซื้อของออนไลน์ก็อาจจะลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดพวกโน้ตบุ๊กพีเนี่ยก็คงยังมีความจําเป็นที่ต้องไปซื้อที่ช็อปเพราะว่าเราก็อยากจะเปิดทดลองใช้เครื่องแล้วเราก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องสนทนาปรึกษากับผู้ขายด้วยนั่นเองครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University เจอเธอที่ไรจิตใจเต้ดรัวฉันกลัวฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจอยากเดินเข้าไปบอก การสักหน่อยอย่าให้ฉันขอ รู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์หน้านาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เม มาเปลี่ยนบรรยากาศกับการเลือกซื้อ SSD กันบ้างนะครับอันนี้ก็ถือเป็นคู่มือเลือกซื้อ SSD สำหรับปี2020เลือกยังไงให้ใช้งานอย่างคุ้มค่านะครับเราจะมากันยาวๆกับเรื่องนี้นะครับในขณะที่ CPU ของเราสามารถประมวลผลหลักๆพันล้านครั้งได้ในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับแต่ข้อขวดมันตันไปอยู่ที่เจ้า hard disk จอมอืดที่กว่าจะส่งข้อมูลมาประมวลผลได้ก็กินเวลาไปสักระยะฉะนั้นนะครับ SSD จึงถูกสร้างขึ้นมาแทนที่เพื่อทำให้ขอขวดนั้นหายไปนะครับแต่การเลือกซื้อ SSD SSD ก็นึกถึงมันก็เหมือนเป็นแฟลชไดร์คือพอเราใช้แฟลชไดร์นี่มันไม่ใช่เป็นจานอ่านเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะเร็วขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงคงทนมากขึ้นนะแต่การเลือกซื้อ SSD เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายกับทุกคนเพราะว่า SSD เนี่ยก็มีหลายรุ่นตั้งแต่ แบบสล็อตแบบ PCIe นะฮะ M.2 2.5 อิ้นและขนาดต่างกันความเร็วต่างกันเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับการใช้งานนะครับวันนี้ก็จะมีการแนะนำการเลือกซื้อ SSD ที่ต้องมีประโยชน์กับทุกๆคนแน่นอนครับเริ่มต้นจากต้องรู้จักคำว่าต้องรู้ว่าสล็อตคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ค้นหาว่าบนเมนบอร์ดเนี่ยมีช่องพอร์ตสาหรับ SSD แบบ M.2 บนเมนบอร์ดหรือไม่ถ้าไม่นะครับคุณอาจจะต้องใช้ไดร์แบบ 2.5 แทนหรือไม่นะคความจุ250 g b ถึง1 t b เนี่ยอย่าพิจารณาซื้อไดร์ที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลน้อยกว่า256 g b เพิ่มราคาเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้การลงทุนมันคุ้มค่า ม, มากที่สุดนะครับเป็น SATA แบบ 2.5 นิ้วราคาถูกกว่าแต่ความเร็วอาจจะช้ากว่านะครับหากคอมพิวเตอร์ของเรารองรับไดร์แบบ NVMe M. 2นะ PCIe หรือว่า o p t a n e นะฮะให้พิจารณาเลือกซื้อได์ด้วยหนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะอย่างไรก็ตามไดซ์ SATA เนี่ยใช้กันทั่วไป อ, อ่แล้วก็ใช้กันมากขึ้นราคาถูกลงและยังคงมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ SSD ใดก็ดีกว่าฮาร์ดไดนะแม้ว่า SSD ที่แย่ที่สุดเขาบอกว่ า, ายังเร็วกว่าฮาร์ดไดส์ถึง3เท่าเพราะฉะนั้นถ้ามีงบที่จะซื้อก็เลือกซื้อ SSD เอะครับนะฮะอ่ะมาดูที่เนื้อหาหลักกันดีกว่างบในการเลือกซื้อ SSD นะครับ SSD สำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยจะมีราคาตั้งแต่120กิกะไบต์จนถึง2เทราไบต์ขณะที่ความจุ120กิกะไบต์นั้นถูกมากที่สุดนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะลง Windows ลงเกมหรือว่าโปรแกรมอื่นๆมากนะักมันมีราคาตั้งแต่690จนถึง990บาทแต่หากเพิ่มเงินอีกตีดหนึ่งนะฮะคุณก็จะได้ความจุ256กิกะไบต์ในราคาเริ่มต้นที่1 0 9 0บาทเท่านั้น ซึ่งก็มีความจุมากขึ้นอีกครึ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคอมพิวเตอร์เรารองรับ SSD ชนิดใดนะครับในเดสก์ท็อปขนาดใหญ่มักจะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเลือกใช้งาน SSD แบบ 2.5 นิ้วแต่สำหรับแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุกรุ่นใหม่นั้นอาจจะมีพื้นที่ไม่พอนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกเป็นแบบ add-in card ที่เป็นสล็อต PCIe นะฮะที่มีใส่ในเดสก์ท็อปเท่านั้นซึ่งจะให้ความเร็วที่ค่อนข้างมาก แล้วก็มีให้เลือกแบบไหนถึงจะดีนะฮะก็จะมีแบบ 2.5 นิ้วซีรีส์ ATA หรือว่า SATA เป็น SSD ชนิดที่พบมากที่สุดแล้วก็มีราคาถูกที่สุดได้เหล่านี้มีเรนแบบรูปร่างของฮาร์ดไดส์แล็ปท็อปแบบดั้งเดิมและเชื่อมต่อแบบ SATA หากแล็ปท็อปหรือว่าเดสก์ท็อปของคุณมีช่องใส่ฮาร์ดไดส์ขนาด 2.5 นิ้วตัวเชื่อมต่อ SATA ก็สามารถใช้กับ SSD รุ่นนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็น SSD แบบ add-in card นะฮะ AIC SSD เดี๋ยวนี้เนี่ยมีศักยภาพที่เร็วกว่า SSD ชนิดอื่นเนื่องจากมันทำงานผ่านบัส PCI Express ซึ่งให้ความเร็วมากกว่า SATA โดยได้ AIC เสียบเข้ากับช่องเสียบบนแผงเมนบอร์ดที่ใช้เสียบซาวการ์ดหรือว่าตัวควบคุมพวก RAID เลยเนฮะก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยก็ถือว่าเป็นเป็นหลักการง่ายๆก็สรุปว่า ฮาร์ดดิสที่เราใช้กันในยุ ค, ยคอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เป็นฮาร์ดดิสตัวใหญ่ที่เป็นเหมือนกับเป็นจานอ่านเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับยุคนี้ที่เราใช้บนโน้ตบุ๊กที่ต้องการปิดจอและยกไปไหนต่อไหนนก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายคนแนะนำให้ซื้อแบบ SSD คงคงจะเข้าใจยังง ง, ง, งอยู่แต่เอาง่ายๆขึ้นพี่มิงแนะนำงี้แล้วกันว่าทำไมต้องใช้ SSD ก็คือคุณคงเคยเจอปัญหาเวลาใช้โน้ตบุ๊กที่เป็นฮาร์ดดิสจานอ่านเนี่ย พอคุณปิดฝ้าจอโดยไม่ชัดดาวแล้วคุณก็ถือเครื่องไปให้มันเป็นสลิปหมดพระเปิดใหม่มันก็ใช้งานได้เลยแต่พอใช้สักพักเนี่ยเครื่องจะเริ่มหน่วงเริ่มชา้าหรือฮาร์ดดิสก์มีปัญหาก็เพราะว่าบางทีพอคุณยกเครื่องไปเนี่ยไอตัวหัวอ่านที่มันเป็นเข็มเนี่ยไปกระแทกก็เลยทําให้มันมีปัญหาในขณะที่พอเป็น SSD เนี่ยเราปิดปุ๊บเครื่องมันก็หยุดแล้วมันไม่มีหัวอ่านไงมันเป็นเหมือนแฟลชไดร์ ye, เพราะฉะนั้นพอเปิดใหม่ก็ใช้งานได้เลยก็ถือว่ามันปลอดภัยต่อข้อมูลและก็ปลอดภัยต่อการใช้งานมาาาากกกว่นนนนัััเองครรรบบสสุยยโด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 รายการคอ m ทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไซด์ให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะ h z มาส่งท้ายกับข่าวของวันนี้กันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของจีนเริ่มมีการผลิต DR DRAM ใช้เองแล้วนะครับซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของแหลมทั่วโลกถูกลงอีกนะครับก็เป็นธรรมดานกเวลาจีนมาผลิตอะไรเนี่ยก็ลงตลาดปุ๊บราคาก็จะถูกลงเพราะว่าเขามีเหมือนกับต้นทุนที่ดีกว่าบริหารจัดการที่ดีกว่าแล้วก็มีเทคโนโลยีที่อาจจะลดค่์ได้เก่งกว่าก็เลยทําให้สินค้าของเขาถูกเพอถูกปุ๊บคุณภาพอาจจะไม่ดีนะแต่ก็ทําให้ตลาดซึ่ง ราคามันเคยอยู่ในสเตปของพรีเมียมอาจจะต้องลดลงมลนิดหนึ่งนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนกำลังมองหาความเป็นอิสระในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองนะครับโดยเน้นใช้งานอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นในประเทศเพื่อใช้ในประเทศตามรายงานของ China Security Journal บริษัทจีนเนี่ยเริ่มผลิตหน่วยความจำแบบ d l ขึ้นมาเองแล้วนะครับโดยบริษัทนี้มีชื่อว่าอ่านกเนี่ย เชียง s ิ n m e m o r y เทคโนโลยีนะฮะก่อตั้งขึ้นในปี2559ได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าได้เริ่มผลิตหน่วยความจำดีแล m ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่การจัดหาหน่วยความจำจากต่างประเทศบริษัทเช่น Microsoft SK Hynix และก็ m ัมซุงการสร้างดี a m ตรงนี้นะครับเป็นยังไงก็มีการใช้เทคโนโลยีขนาด18นาโนเมตรแล้วก็บริษัทสัญญา ว, ว่าจะผลิตดีแลมนี้ให้ได้ประมาณ 102,000 ชิ้น ต่อเดือนแล้วก็วางแผนที่จะส่งมอบชิปเซตแรกในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นผลพวงจากการที่หลายๆประเทศเนี่ยเริ่มตัดขาดจีนด้วยการไม่ให้ทํานู่นทํานี่ไม่ส่งนั่นส่งนี้เพราะฉะนั้นจีนเองซึ่งเขาคงไม่งอเมืองงอเทา้าให้คนอื่นทํำลายเขาอย่างเดียวเขาก็คงต้องหาทางตอบโต้โดยการผลิตของพวกนี้ขึ้นมาเองซึ่งก็น่ากลัวนะเพราะว่าจีนเนี่ยของเยอะคนเยอะแค่ผลิตขายในยประเทศเฉยๆเขาก็คุมแล้วซึ่งถ้าต่อไปประเทศ ค น, นจีนเนี่ยหันมาใช้แต่ของจีนด้วยกันเองเนี่ยประเทศอื่นก็น็อกเอาเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปละหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณทั้งเพลงทั้งเนื้อหาสาระดีๆแต่เวลามาฟังย้อนหลังอาจจะเป็นแต่เนื้อหานะเพลงไม่มี <c oughs> ก็ฟังกันไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับพี่มิงนะครับพรุ่งนี้เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์มาอัปเดตกันนะครับพรุ่งนี้จะพูดถึงแกจิตโซโฟนที่จะหาซื้อได้ง่ายในช้อปปิ้งออนไลน์มีอะไรที่น่าสนใจพรุ่งนี้เจอกันคครรัััับบววนนีี้สสด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 ที่เห็นเขาเดินผ่านมาและทักทายแต่เธอทำเฉยๆไม่เคยยิ้มและพูดจาแต่สิ่งที่นจริงคือสายตาจ ความเป็นจริงว่า t ธอนั้นไม่เคยจะลืมและ ย, ยัง o ักเขามากมายเจกับเขาคนที่เธอ ฉันและเธอตกลงมาคบกันแค่ตัวเธอเท่านั้นเท่าที่ฉันครอบครองได้แต่สิ่งที่ฉันต้องการจากเธอคือหัวใจ จะคอยนานมากไปใจะใจลายบางลงทุกทีรู้บ้างหรือเปล่าฉันเป็นอไรตั้งแต่เมื่อฉันและเธอตกงลงมาคบกันแค่ตัวเธอเทุนั้นเท่าที่ฉันครอบ